เรา ัะตะภะกวะโตอารังหะโตสัมมาสัมพุทธะกรร ม, มังวิพัจติยะดีดังหีนัปปณิตัตายาทีขอเจริญโุกเจริญพรท่านสาทุกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายแสดงสักกะระโมทิตาจิต ต่อพระอาจารย์วิชัยที่ท่านอยู่ในเพคปรมจันท ร, ร์มานานปีนี้ขณะนี้ท่านก็มีอายุขึ้นมาเจ็บสิบสองปีเรามาทำความดีเพื่อให้พรท่านอยากให้ท่านอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถ้าอยู่ไปนานความดีทันท้างได้เยอะ ที่ท่านท่านสร้างมาแล้วอย่างในจังหวัดเชียงรายวัดธั้งปาจมก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์หมดในชีวิตของท่านแต่ท่านปรารถนาดีต่อคนในท้องที่นี้ตลอดทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพกรุงนามหรือตลอดทั่วทั่วไปให้ได้มาเจริญภาวนาและทำความดีกันมากๆ จึงได้สร้างอาคารใหญ่เรียกว่าศาลาการประเรียนหรือศาลากวางธรรมอบรมธรรมจึงเป็นการที่ทำได้ยากเพราะไม่มีอะไรเป็นบระดกไว้ไม่เหมือนวัดที่เขาทำไว้แล้วเราขึ้นบวชเรียนที่วัดนั้นไม่ต้องสร้างอะไรมากแต่อาจารย์วิชัยท่านต้องใช้พลังสูงใช้กำลังจิต อย่างสูงที่จะสร้างที่นี้ได้ก่อนหน้านี้ที่นี้ก็ว่างเปล่าเป็นพี่ดินที่ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายท่านก็มา ส, สร้างขึ้นด้วยแรงบุญด้วยแรงบา ร, รมีของท่านท่านเป็นผู้มีบา ร, รมีเพราะสร้างความดีมานานตั้งแต่บวชอยู่ในเพศตรมจันทร์ ชีวิตของท่านไม่วางเว้นจากการสร้างบา ร, รมีไม่ว่าอยู่ที่ไหนแห่งใดเราท่านทุกคนขอให้ความนับถือเป็นพิเศษทั้งคารพบคารวะทั้งต่อหน้าและรับหลังมาแสดงความยินดีต่ออายุของท่านที่ผ่านมาดีเหลือเกินไม่ค่อยเจ็บ่ายได้ป่วยอะไรมากและชีวิตประมาจรรันท่านก็ไม่เป็นบนทิน เพราะท่านหนักแน่นในตรัทธาในคุณพระรัตนไตรคือเชื่อมั่นในคุณของรพอนน ร, ะ ร, ะททระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการกระทำดีตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้และเชื่อมั่นพระอริยสงฆ์วงพระอรหันต์ท่านจึงใช้ชีวิตทุ่มเทลงในศาสนานี้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลำบากยากใจเพียงไร หรืออปสักว์น้อยใหญ่ท่านก็ผ่านได้อยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้ให้มาบรนด o บรนดาลให้อาจารย์วิชัยทำสิ่งใดใหญ่หรือเล็กให้สำเร็จได้โดยเร็วคิดเลือกประสงค์จำองหมายสิ่งใดว่าจะสรรสร้างอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พวกเราทุกคนก็ใช้พลังจิตอันเดียวกันให้เกิดมหาพลังทางจิตบันดลบันดานในท่านธรรมานสำเร็จและธรรมานยิ่งใหญ่ไม่มีฮานใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับหานในศาสนาคืองานการเรียนการศึกษาเป็นธุระที่ท่านสั่งสอนในนำประชาชนไม่ว่าอยู่ที่ไหนงานทำวิปัสสนาวิปัสสนาธุระ คือกำหนดรูปนามกำหนดกายกำหนดใจกำหนดอารมณ์ภายในเรียกว่าทมกรรมฐานนวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ปฏิบัตเิเต็มที่และเปิดกว้างไอ้คนทั้งหลายมาอบรมกันที่นี่จะไห้นามชื่อว่าสุขขาวดีคือให้มีความสุขจากการแบบพฤตธรรมทุกคนก็เห็นร่วมสมัยกัน ร่วมใจมร่วมใจกับท่านแล้วก็ถวายความเคารพความนับถืออย่างแข็งแรงตั้งต่อหน้ารับหลังมาปฏิบัติบูชาซึ่งกันและกันบางทีก็ะทำกระหน่ำรุ่งหน่ำค่ำปฏิบัติปฏิบัติกันแค่นี้ทั้งๆยังหานยังไม่สาเร็จเรียบร้อยก็มีคนไหลหลังกันมาหลายพวกไว้ ห, หมู่ในสาธารณเทศ ต, ต่างๆ ต่างก็มาสร้างความดีให้ท่านเป็นผู้เป็นประมุขเป็นผู้นําทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเคารพพระพุทธเจ้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าคนที่นับถือพระพุทธเจ้าจริงต้องรักษาศีลต้องกวางธรรมต้องเจริญภาวนาต้องไหว้พระสวดมนต์ก็และที่นี่แหละที่ท่านตั้งหลักใจในศาสนาได้หวังอย่างยิ่งว่า จักจำเริญรุ่งเรืองตั้งอายุของท่านด้วยสิ่งก่อสร้างทั้งต่างๆ ท, ท, ท, ท, ท, ที่กำลังดำเนินอยู่ก็ให้สำเร็จอย่าได้มีอุปสรรคหนักเบาอะไรจงให้สำเร็จอย่าอึดอัดกัดข้องแม้ทางร่างกายนามัยของท่านเราขอภาวนาขอแสดงความยินดีให้ท่านปลอดภัยจากโรคภัยบางอย่างที่จะมาผุกกรรมระหว่างมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ ให้ท่านปลอดโรคปลอดภัยปลอดกิเลสภัยด้วยเพราะกิเลสภัยเป็นภัยใหญ่ในโลกมนุษย์เราถึงเราร่างกายถูกสมบูรณ์ดีแต่ใจไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยผิดธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นโรคทางใจโรคทางใจต้องการชําระกะสางต้องผ่าตัดให้ได้ผ่าตัดโรคทางใจนต้องผ่าตัดด้วยการไหว้พระส่วนมนต์เหมือนอย่างที่พระอาจารย์วิจัยทําอยู่ ยังเป็นผลตอบแทนเห็นกันชัดๆว่าวันนี้เป็นวันทำบุญอายุวัฒนะของท่านคนมาช่วยกันมากหน้ามากตาเรียกว่ามืดขว้าัมดินไปแล้วแหละแล้วมาทำที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นป่าเป็นหลุมเป็นบ่อไม่น่าจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยนี่เป็นขึ้นมาได้เพราะอะไรเป็นขึ้นมาได้ ก็เพราะบุญของท่านแล้วก็บุญของญาติโยมทุกคนด้วยที่มาร่วมสมัยในการทำจิตทำใจถ้าไหว้พระชวนมนเอาจริงเอาจังในทำอะไรสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าทิงนั้นจะเหลือวิสัยก็จะทำได้สาลาการประเรียนหลังใหญ่นี้ที่ต้อนรับผู้คนเลยมากเป็นหมืน่นก็มาจากบุญมาจากความดีของคนที่ร่วมใจกัน การร่วมใจกันการหวังดีกันการเือือ้อกเอกเื้อเพื่อแผมดีกันนี่พระพุทธเจ้าอภิรมยินดีว่าคนทั้งหลายจงสามัคคีกันดังในพระบาลีว่าวิวาดังพยโตดิจวาอวิวาดันจเะเข้มโตสมัคคาสกัลลาหอธะเอสาปุจจานุสาชนีแปลใจความว่า ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยความวิวาทบาดหนังตอกเทียงกันเป็นคู่อีิเป็นเวรภัยกันนี้อันตรายมากเพราะต้องขัดอกขัดใจต้องเป็นคู่อริกันท่านทั้งหลายจงเห็นไปในความวิวาทและท่านทั้งหลายจงเห็นความกระเสมทำรายในความสามัคคีความสามัคคีใช่ไหมที่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างใหญ่โตมหาานเช่นนี้ ก็มาจากความสามัคคีกันสามัคคีนี้ดีตั้งชาตินี้เลยชาติหน้าดีทุกชาติตราบใดที่เรายังเกิดอยู่ถ้ายังสามัคคีสร้างความดีกันเช่นนี้เราต้องได้ดีเดินหน้าก้าวหน้าไม่ตกต่ามแน่นอนเรียกว่าประตูนรกปิดเรียบไม่ไปเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูในผ่านทีนี้ได้แน่นอนเพราะว่าทุกคนใจมั่นคง และการ น, นับถืออาจารย์เรี่ยงว่าอย่างเป็นหัวิตหัวใจให้ความเคารพความรักความนับถืออย่างมั่นคงท่านต้องการทำอะไรเราก็ร่วมม้ร่วมมือกันถึงเราไม่ใช่ญาติพี่น้องถึงเราไม่ใช่รู้จักมกคนอะไรกันแต่เอาพระอาจารย์นี้เป็นแกเป็นแกนกลางมาทำเพื่อถวายความเคารพท่านให้ท่านมีกำลังกายมีกำลังใจ เราปรารถนาอะไรแรงใจที่เป็นพลังสูงจะสาเร็จได้คือสมมติว่าเราตั้งใจว่าท่านผู้นี้ขอให้มีความสุขสวัสดีอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้อนาทนร้อนใจเรื่องอะไรถ้าทุกคนพร้อมใจกันภาวนาอย่างนี้อิทธิฤทธิพลังจิตที่สามกีกันนี้จะสาเร็จแน่นอนสำเร็จเกินความคาดหมาย บางทีเราคาดหมายว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าสามัคคีกันดีเรียกว่าดีเกินดีที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ดียังไม่มีก็จะมีที่มีแล้วก็จะมีมากขึ้นอันเกิดจากความสามัคคีทำสามัคคีรสรสชาติแกงความรสชาติแดงความสามัคคีในทานทั้งหลายดีกว่ารสชาติหวานมันเค็มลิ้มกิ่มรสต่างลิ้น ระหวันมันเจมลิ้มเกี๊รสอรสอร่อยจากอาหารการกินนี้มันผ่านลิ้นนี้เดียวแล้วก็หมดไปแต่สมเกียรถแรสเองทำนี้ยิ่งมากยิ่งดีไม่หมดไม่สิ้นทาให้คนทั้งหลายไม่รักกันก็รักกันได้ทาให้คนที่ยังไม่รู้จักก็รู้จักกันได้ทำให้ไอ้คนที่ไม่ค่อยดีก็จะดีกันได้ทำเพื่อให้คนดีกันได้ทาเพื่อคนเพื่อกูลกันได้ ทำเพื่อคนทุกคนอยู่เย็นเป็นถุกในความสามาคัคคีเพราะพลังสามัคคีนี้เป็นหัวใจใหญ่ของชาวโลกที่ไหนไม่สามัคคีกันแตกร้ากันที่นั้นมีทุกแน่นอนและเบียดเบียนกันด้วยที่เบียดเบียนกันทั้งวันทั้งคืนที่มีขา่าวโครมครามกันในเรื่องฆ่าเรื่องทำลายกันนี่เพราะไม่สามาคัคคีแต่คนที่นี้นี่สามัคคีกันดีไม่มีใครร้าวรานไม่มีใครแตกกับใคร มีแต่พันนึกกำลังกระชับมั่นแรงขึ้นในความสามัคคีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายเรามาหวังดีกันเถิดหวังดีดีกว่าหวังร้ายหวังดีดีกว่าที่จะหวังสิ่งร้ายแก่คนอื่นจะหวังดีคนอื่นก็ทำความดีหากันความดีที่สร้างขึ้นนี้ไม่ให่ไม่มีใครคนเดียว คนจะได้ได้รวมกันทุกคนเรามาสร้างปรมีทําความสมัคคีึ่งกันอะกันนี้มันอบ อ, อุ่นใจที่สุดแล้วสบายใจชาตินี้เราไม่มีศัตรูเราไม่มีคู่อริไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้เพราะเราหวังความสมสมัคคีและเอืออเอ้อคือเอื้อกลัวคือป่อออวนช่งกันอะไกัน จอกับความที่เราพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายสุขขายะหิตายะหวังความสุขแก่คนอื่นนะหวังประโยชน์แก่คนอื่นนะหวังความเห็นใจกับคนทั้งหลายว่าใจเราเป็นยังไงรับสุขเกลทุกข์ใจเขาก็รับสุขเกลทุกข์เรามาจับมือถือแขนสร้างบุญบรารมีในศาสนากันดีกว่าไหนๆเราเกิดเป็นคนแล้วและก็เป็นคนดีทด้วย คนดีจะต้องทากิจกรรมอะไรถ้าลองนึกดูดิคนดีอย่างพวกท่านนี่ควรทำอะไรจึงจะเหมาะสมกับภูมิของคนดีคนดีเช่นเรานี่ควรจะรักษาศีลคนดีชวนโยควรจะนับถือนับถือพระสงฆ์มงกระเจ้านับถือพระนี่ท่านก็ทำกันอยู่แล้วคนดีอย่างพวกท่านควรทำอะไรก็ควรทำทานอย่างทำทานอาหารการกินของข้าวของหวานบละมากร่างไม้วันนี้มากมายอนันตตัง ถามว่าอาหารมาจากไหนเล่าี่จัดเป็นสำนับทัพ์ท่าละเอียดละออบรรจงประณีในเรื่องการมีฝีมือก็มาจากบุญของคนบุญมาจากไหนเล่ามาจากการทำรักษาศีลศีลไม่จะมีที่อื่นมีในตัวเราอย่างน้อยสี่หน้าเพราะสี่หน้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทุกคนมีสี่หน้าแล้วไม่มีใครเบียดเบียนไข่ไม่มีไคขโมยของใคร ไม่มีใครผิดประเพณีไม่มีใครพูดโปรดโมทเอกไม่มีใครกินล่าเมายาเพราะว่าเหน่านี่เป็นของสูงเป็นของดีที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าศีลเมวะแปลวะ่าศีลเลิศศีลเมวะอิทะอักังอักังแปลว่าเลิศศีลเป็นของเลิศเราดื่มดำศีลเข้าไป เราก็กลายเป็นคนเลิศเรากินทุรา่าเมาทุรา่าเราก็กลายเป็นคนเลวแต่เรากินศีลดื่มศีนเราสมาทานศีนเรากลายเป็นคนดีแล้วกลายเป็นคนเลิศเลิศจากอะไรเลิศอยู่เหนือกิเลสเช่นข้อที่หนึ่งว่าไม่ฆ่าและก็มีบิดมีเมตตาด้วยเนี่ยเลิศแล้วคนไม่ฆ่าคนค น, คนไม่เบียดเบียนคนคนไม่ทําลายคนในคนพวกไหนก็คนมีศีนนั่นแหละ คนมีทีนนี่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเยอะเชณฑตัวอย่างว่าคนคนหนึ่งไปขโมยหัวเขาโคของเขาในบ้านของเขาแล้วก็จูงเดินทางไปคนนั้นก็ถามว่าแกหูวเอาหัเอาโคนี้มาจากไหนบอกว่าเอามาจากคนที่มีทีนคนนั้นหวังดีว่าเอาไปคืนจะไไปขโมยของคนมีทีนมีทํรในบาปแรงนะก็เรียกว่า อ า, าจจะนี้บาจะก ว, ว, ว้างจะควาดจะอาจจะ่านาเดียนกว่าอากาศไม่ปราณีนะคนไปบีเบียนคนมีศีล น, นี่เชื่อเราเถอะเป็นกันมามากมายแล้วคนมีศีลมีธรรมนี่คุณไปทําลายเขานะ่ะคนจะมีโทษเดียวว่าถูกคุณประธรรมของคนอันเจ้านี่เอาวัวไปคืนกีนี้เจ้าของทำว่าเอาไปแล้วมาคืนทำไมอ่ะขอกลัวบาปและบาปตรงไหนนะ่ะบาปที่ไปทําคนดีๆอย่างท่านเนี่ยผมทําไม่ได้ แล้วนึกเองยังไงบ อ, บอกว่าคนเตือนเออก็ดีและขอบใจแหละนายนี่ก็กลับบ้านแล้วขอโทษด้วยว่าที่ขโมยไปนี่เอามาคืนแล้วนะผมผิดไปแล้วผมขอโทษเอาจบกันแล้วไอ้เจ้านี่มันไปขโมยอีกไปขโมยของคนอิทธิพลในท้องถิ่นแล้วก็จูงวัวของคนที่มีอิทธิพลไประหว่างทางตรงนั้นแหละคนนึ้นก็เดินผ่านมาว่าแกเอาวัวใครมา บอกว่าไปเอาโคของคนที่เจ้าอิจฉาคนในท้องถิ่นไอ้คนนั้นบอกว่าเอาไปเกินจะนะถ้าไม่เกินมันถือรู้และตายชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรแหละเพราะพวกนี้โอดร้ายทารุณนนะ่ะแกไปทำเขาได้นี่คนเคเร่ไปลวงคองหูเห่าเน่ยอันตรายอย่าตายทั้งลูกทั้งเมียนะเชื่อเถอะไอ้นี่มันกลัวเพื่อนจะเล่นนานเอาเลยเอาไปคืนตกลงว่าคนเรานี่ ไม่เบียดเบียนคนมีศีนถ้าเบียดเบียนคนมีสีนก็เขาเรียกว่าถูกคุณของคนดีไปเบียดเบียนคนที่โหดร้ายทารุณก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีนจึงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนายพราหมณ์คนนี้ก็มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งคนเดียวเท่านี้แหละลูกโจนแล้วก็หน้าตาดี ด, ด้วยคนก็ไปถูกขอ เศรษฐีไปติดต่อถูกขอให้ลูกจายไอ้เจ้าพ่อบอกว่ายังไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าลูกสาวจะให้กับ่อยนี่ขอให้ข้าไปเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนถ้าพระพุทธเจ้าพยากรยังไงก็จะเอาตามที่ท่านว่าโยมาพระราชารถลูกของพระราชาก็ต้องการจะเอาญิางนี้แลไปเป็นอัครเมสีไอ้เจ้าพ่อว่าบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ถึงขา่าว ใจรูปลองเ็าไปถูขอคนมีอำนาจก็ไปถูขอคนมีเงินก็ไปถูขอเรียกว่าคนหลายพวกด้วยกันแหละที่ดีๆเนะ่ะพรามคนนี้ว่ายังให้ไม่ได้ต้องไปถามพระพุทธเจ้าก่อนก็เดินทางไปพาพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านี่มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีแต่คนมาถูขอหลายจำพวกนี่ให้พระองค์พยากรณ์่ะ วันลูกของข้าพระพุทธเจ้านี้จะให้กับใครดีพระพุทธเจ้าว่าคนที่มาถูกขอสมมติว่ายากจนไปหน่อยแต่มีทีหน้าเนี่ยให้ขอไปเถอะเพราะคนมีทีหน้านี่ภรรยาไปอยู่อบอุ่นไม่ด่าไม่ว่าแล้วก็ไม่ผิดลูกผิดเมียใครจะไม่เดือดร้อนเพราะสามีคนมีศีนเรียกว่าชาเป็นการนานเป็นคุณต่อไวข้างหน้าจะเป็นคนดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ ไม่อาานาถรร้อนใจท่านได้สามีที่มีทีหน้าแล้วตกลงเจ้าพรามนี้ก็ให้กับคนมีเสียแต่จนไปหน่อยถึงจนไปหน่อยแต่ร่ํารวยอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในล่ะเพราะเนียนี่เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในน่ยมันดีเลิศ ก, กว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกมีมากๆเพื่อนล้นได้เพื่อนข่าเถื่ได้ แต่ทรัพย์ในที่อยู่ข้างในยนี่ใครจะปล้นใครจะเอากลวยจะไหม้ลมจะพัดก็ไม่ได้ตายแล้วก็จะไปถ ưởng จะหวั่นขันเลยเลยเพราะฉะนั้นยิงนี้พรามก็มอบให้กับใายยากจนโยต่อมาก็ดีวันดีคืนอย่างพระพุทธเจ้าพยากรณนะ์น่นแหละหยติโยมอันนี้ไม่ใช่นิทานนะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ า, วาไม่ว่าใครที่ไหนมีศีล อย่างพวกท่านมาวัดมาสถานที่นี้พวกท่านมีศียนี่ท่านยันเนื้อว่าเศียเป็นของเล็กน้อยนะเป็นของใหญ่เป็นของกว้างเป็นของลึกเราไม่อาจสามารถจะใจวิจรารณญาณว่าศีนลึกแค่ไหนนี่คำนวณไม่ได้หาประมาณไม่ได้ท่านเปรียบเคเพียงแค่ว่ามหาปฏาปีที่เราเดินเรานั่งเรานอนนี่ลึกลงไปเท่าไหร่ แผ่นดินนี้ลึกลงไปสองแสนสี่หมืนยดจนถึงมุกบาดาลที่พญา น, นาคเขาอยู่ลึกลงไปสองแสนสี่หมืนยดก็ยังนิดเดียวสีนลึกกว่านี้สินสูงขนาดไหนฉันสุตราว่าที่พระอนาคามีอยู่ก็สูงกว่าสีนสูงกว่าและลดความหอมของโลกพวกจันแดงพวก กิ่นจัน์พวกดอกไม้มาลิ้อนมันลีลามหามองค์จงโกดอกวิกณบญนาคนี่หอมทุกทุกอย่างแต่หอมเช้ามันร่วงโรยตอนเย็นแล้วมันไปตามลมแต่หอมศีีนี่มันสั่นสะเทือนไปทั่วโลกจนพวกเทพประบุตเทพธิดาบนสวงสวรรค์ก็พูดกันว่านี่กลินอะไรที่มันหอมแปลกประหลาดเทพเทพธิดาองค์หนึ่งก็บอกว่าตอนหนึ่งก็บอกว่านี่กลินปริชาตบนสวงสวรรค์ พวกนั้นก็บอกว่าไม่ใช่กลิ่นบริชาติมันหอมอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้ า, างั้นก็ดอกบอลทารอบบนสวรรค์ก็ไม่ใช่เลยไปถามพระอินทร์ว่าองค์อมรินทราธิราชท่านทราบไหมกลิ่นที่มันโชยมาโดยลมไม่ต้องพัดนี่เพราะมันหวนมันหอมทวนลมได้นี่เป็นกลิ่นอะไรพระอินทร์ว่าเจ้าไม่รู้เหรอเป็นกลิ่นของคนรักษาจีนในเมืองมนุษย์คือใครลนะ่ะคือพระเนมิราช ในมีราชก็คือพระพุทธเจ้าเราและเป็นโพธิสัตว์ครั้งนั้นรักษาศีลอย่างมั่นคงท่านเป็นพระราชาด้วยท่านสอนประชาชนในรักษาศีลคนทั้งหลายก็เชื่อบ้านเมืองของท่า น, นไม่มีถึกสงคราไม่มีคนเบียดเบียนกันไม่มีใครทำร้ายกันเรียกว่าชุกสันติชุกสงบชุกเยือกเย็นอันเกิดจากพระราชารักษาศีนทีนี่พวกเทพประบุรเทพทิดากว่าพระอินทร์ ไปทูลเชิญพระเนมีราชให้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นโอชิฉันอยากดูตัวจริงว่าตัวจริงอย่างนี้กับศีลเนี่มันสมกันไหมล่ะคนหน้าตาดีอาจจะไม่ดีก็มีคนหน้าตาไม่ดีอาจจะดีก็มีแต่อยากดูรูปร่างของคนที่มีศีลเน่ยพระอินทก็ลงมาทูลเชิญว่าให้พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเถอะเราเอาราชารัมารับแล้วนะนี่เรื่องจริงไหมยายนิยายโยม เท่าเนมิราตพระราชาคือพระพุทธเจ้าเราเป็นพระโพธิสั์ท่านก็นไ ป, ปพอไปถึงพวกเทพิิาก็รอรับอยู่ที่ประตูสวรรค์ก็โอ้หน้าตาดีนะแล้วก็กลิ่นก็หอมออกจากร่างกายท่านด้วยแม้แต่กลิ่นปากก็หอมขอโทษเดี๋ยมทั้งหลายทายอุจจาระปัสสาวะก็หอมด้วยแล้วคนมีถี่นมันหอมไปหมดไงมันหอมก้านหะน้า้าเนื้อก้า ข้าวหนังเลยร่างกายเราอาการสามสิบสองเนี่ยนะมันเหม็นทั้งหมดแต่พอมีสินมันหอมไม่ใช่หอมคนเดียวมันหอมให้คนอื่นได้กลิ่นด้วยและเกลิ่นสินี่หอมมันไม่จะไม่จืดจางมันไม่โรยราเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมารักษาศีลท่านอย่าเ น, นึกว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่ท่านมารักษาที่นี้เป็นบรรยากาศที่ดีอากาศดีมันโปรง่งแล้วก็เป็นสัพพยะ แล้วเราได้อาจารย์ดผีผู้ให้กำลังใจเป็นพี่เลี้ยงคอยดูคอยแลที่มาปฏิบัติธรรมนี่เราจะหาที่ไหนในเมืองไทยไหนที่นี้เพราะมีอาจารย์วิชัยนั่นแหละจึงได้เกิดเรื่องขึ้นเพราะมีคนดีเกิดคนอื่นก็พลอยเกิดตามไปไม่ด้วยไอการเกิดของบุคคลต้องมีสามีภรรยาแต่การเกิดความดีไม่ต้องมีสามีปริยาแ่ะมีอย่างนี้แหละให้เกิดสิ่ขึ้ น, นก็เรียกว่าเกิดดี เกิดความดีก้นพราะศีลพราะศีลเป็นของเลิ่ปัญญาว่าปนญญธรรมโอเมื่อมีศีลแล้วปัญญาจะเกิดด้วยเพราะศีลกับปัญญาเนี่ยมาคู่กันนะท่านฟังให้ดีเช่นว่าตีนเท้าของเราจกกระปกไปเหยียบโคนเลนตมมานี่เราไปหานะ้ํามาล้างเทา้ามือก็ถือขันน้ําเท้าทั้งสองก็ขัดสีกันเท้าชายก็ไปกัด ศีเท้าขวาเท้าขวาก็มากัดข้างซ้ายขัดกันไปขัดกันมาสะอาจทั้งสองเท้าเช่นใดเราเอาศีนไปขัดปัญญาเอาปัญญามาขัดศีนรักษาศีนที่ไหนก็มีปัญญาอยู่ด้วยนั่นแหละถึงเรียกชื่อต่างกันก็จริงแต่ว่านี่เป็นอัญญมัญญปัจจัยเครือกูนซึ่งกันและกันถ้ามีศีนดีสมาธิก็ต้องดีด้วยถ้ามีสมาธิดีปัญญาก็มาด้วย เมื่อเราไม่เอาถึงนี้จะเอาอะไรในโลกมนุษย์ละท่านเงินทองเราก็หาได้ไม่ยากไม่จนค้นแขงแข้งแต่เราเอาความดีอย่างนี้กันดีกว่าเอาความดีที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ า, วาที่ไหนเขาบำเพ็ญธรรมก็ไหว้พระสวดมนต์พอที่เราจะไปร่วมวงใบบุญกับเขาด้วยก็ไปเถิดถึงไกลสักหน่อยก็มานอนวัดก็ได้วัดก็มีสวัสดิการให้มีที่รับที่นอนมีอาหารการกิน เราว่าอาจารย์นวิจัยเลี้ยงคนได้เป็นแสนแสนลองมาอยู่นะท่านจะเลี้ยงได้เพระบารมีท่านมากแต่ไม่ถึงเราเราก็ยังไม่เห็นว่าท่านมีบารมีได้อย่างไรลองมาให้หนักๆกันที่มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกันเนี่ยมาเป็นเรือนแสนนี่เราจะขยายนาเกตการก่อสร้างที่อยู่ที่หลับที่นอนทุกอย่างเป็นสัพเพยะให้ท่านมาอยู่ได้จึงเป็นดินแดนที่ให้คิดว่า ทุกข์าคือทุกข์กายทุกข์ใจวะดีแปลว่าประเสริฐเรียกว่าทุกข์ประเสริฐทุกข์ไม่ประเสริฐก็มีเช่นทุกข์กับกรรมารมณ์การมทุกขมันไม่ประเสริฐเพราะมันเป็นบ่อเกิดแห่งทีเล็ดแต่ทุกข์ประเสริฐทุกข์เกิดจากศีลทุกข์เกิดจากมีปัญญาทุกข์เกิดจากการไม่เบียดเบียนกันนี่เรียกว่าอัปยาปจังสุขขังโลเกนิทานทั้งหลายแปลว่าทุกข์เกิดจากการไม่เบียดเบียนกัน ไม่เบียดกันเพราะอะไรไม่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะมีสีนใครจะเบียดเบียนกับใครอย่างท่านมาวัดนี่เป็นเดือนเป็นปีมาบ่อที่นี่นี่ท่านทะเลาะกับใครเงินทองก้าของวางไว้ไม่เห็นใครจะหยิบจะจวยผ่าไปเพราะคนเราถือสีนแล้วนี่มันดีไปหมดความสุขก็มีด้วยแล้วก็เป็นแบบอย่างตันติประเพณีของคนดีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังสือพานสัรต่อได้ว่าให้คนมีศีลให้คนมีปัญญาศีลกับปัญญาต้องมาคู่กันเรียกว่าสีลเมวะอิทะอากังปัญญาวาปนอุตมโมมนุสเซสุจจเดเ ว, เวสุทีละปัญญาณโตจจยังแปลว่าศีลเท่านั้นเป็นของเลิศ เมื่อเป็นของเลิศท่านเอามาสวมใส่เอามานุ่งมาหอมแรียกว่าศีลาภรอาภรคือศีลท่านมานุ่งมานุ่งที่ปากที่กายที่ใจเข้าไปเถิดเรียกว่าอาภรคือศีลาภรณเมื่อท่านมีศีลาพรที่ท่านมีปัญญาภรณอาภร์เครื่องประดับคือปัญญาให้พูดเป็นคิดเป็นทําเป็นแล้วก็เรามีความแพ้ความชนะกันบางอย่างบางทีมีศีลมีปัญญาแต่ยังแพ้กิเลส แต่คนมีศีลกับปัญญาอย่างมั่นคงนี้เรียกว่าจะชนะกิเลสด้วยศีลและปัญญานี่เป็นพุทธคาถาเป็นพุทธปาธิจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคำที่ว่าทีละเมวอิตอักังปัญญาวาปนาอุตมโมมนุเตสุเจเดเ ว, เวสุสีละปัญญาณโตเจยังศีลเท่านั้นเป็นของเลศิศปัญญาเป็นสูงสุดความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา ยอมชนะกันด้วยศีลและปัญญาหมายความว่าชนะคนชั่วด้วยความดีชนะคนกันดีด้วยการให้ชนะคนพูดบดด้วยการพูดจริงเราต้องการชัยชนะแบบนี้ไม่ใช่ชนะต้องล้างเลือดต้องลูกแขนแน่นอารมณ์กันเรามาสร้างความดีชนะกันด้วยศีลและศีลกันและปัญญากันเดินเพราะไม่เป็นโบเกอร์แดงจัดูคู่ริคูอารีกัน จชนะด้วยศีลและปัญญาแม้ตัวเองจะชจนะตัวเองได้นี่ไม่แพ้ตัวอนี่จะต้องมีศีลและมีปัญญาจึงชนะตัวเองได้ชนะตัวเองได้หนึ่งคนนี่ดีกว่าชนะคนทั้งโลกถ้าชนะคนทั้งโลกโดยอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นเวนเป็นไยซึ่งกันและกันเรามาชนะตัวเองด้วยการรักษาศีลและด้วยการบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญปัญญาจะทํำยังไง คนมีปัญญาจริงตรงรู้จริงในรอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรสังขารร่างกายเ ร, ราประกอบโดยธาตุสี่ตัวจริงของธาตุสีคืออะไรคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงคือเป็นทุกข์มันทนได้ยากในความเป็นความอยู่ทนได้ยากแต่ จ, จาเป็นต้องทนเพราะว่าชีวิตมันมีทุกข์ของตัวมันเองจึงเราทาดีก็ทุกข์ยิ่งทาชัวว่วก็ทุกข์หนักขบี คนมีศีนมีทำทำดีก็ยังทุกทุกอะไรละ่ะทุกเรื่องหนาวจัดร้อนจัดเย็นจัดหิวจัดทุกเรื่องปวดอวดปวดกระาปัดสาวว่าก็ทุกทุกเรื่องความหิวโหยเจ็บไายได้ป่วยบางอย่างในวงการของคนดีกับมีกันอย่างนี้เราทุกอย่างนี้จริงแต่เราทุกตามสังขารแต่เราไม่ยึดตัวว่าสังขารเป็นของเราเพียงแค่ว่าจับเบสังขารานิจาติสังขารทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงหนอจับเบ สังาราดุขาธิสังขารทั้งหลายทั้งเราก็เกาทุกทั้งนั้นไม่มีใครสุขกันจะร่างกายนี้ดังคําว่ายังไม่เคยกว้างใครที่ไหนหนาว่าเกิดมาเป็นสุขสนุกสนานมีแต่บนเรื่องทุกข์ไม่สุขสำราญทั้งชาวบ้านชาววัดคัด ก, กันไปทุกกันทุกคนแต่คนดีทุกเพียงแค่สังขารแกแต่คนชั่วทุกรอบตัว สังขารแก้ด้วยและทุกข์แก้โทษเว้นไปที่ใบเบียนกว่าอื่นด้วยและยิ่งทุกข์ยิ่งบาปหนานแน่นขึ้นเรามีทุกจริงแต่เราปรองได้จะนั่นปัญญาที่จะเกิดได้ต้องรู้จักหลักสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ตัวเราไม่ใช่ตัวเราจริงตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นตัวของสังขารสังขารมันเป็นของว่างเรามันต้องสลายไป มันต้องแก่มันต้องแกบมันต้องตายเราปรองให้ตกยกกิจขึ้นถูประจันทัดขึ้นถูพระไตรลักษ์ว่าเป็นอนิจจทุกฐานตานี่เขาเรียกว่ามีปัญญาปัญญาเป็นยอดที่สุดในโลกโยมเช่นว่าดวงดาวในท้องฟนะ้าเนี่ยมันเกลือนนับเป็นแสนล้านโกดดวงแต่ดวงดาวนี่ยทำแสงสว่างให้โลกได้ไหมทำไม่ได้มันระยิบระยับบนท้องฟ้าเท่านั้น แต่ดวงจันทร์ดวงเดียวนี่ทําแสงสว่างให้โลกได้เช่นคนมีปัญญาอย่างเดียวนี่ทําแสงสว่างให้คนอื่นได้ด้วยตัวเองก็สว่างคนอื่นก็สว่างเรามาจันทร์แสงจันทร์ในวันเพ็ญนนะมาเป็นแสงจันทร์ในวันเพ็ญคือให้สว่างด้วยปัญญารู้ว่าเราเกิดมาแก่เจ็บตายและที่สุดเราเกิดมามีกรรมดังบาลีที่ว่ากัมมังสตตวิภัจจะติ ยาดีดังหินัปปณีตัตายะลอกมนุษย์นี้มีกรรมจำแนกมีกัรมีกรรมชัดเวียงไปให้เป็นคนดีคนชั่วคาว่าชัดเวียงรืงก็กมันเวียงแรงให้ไปเกิดในดงกนผานให้ไปเกิดกินเหล้าเมายาทีนนี่ยมันมันชัดไปสู่กองบุญไปอยู่กับบัณฑิตนักราชอย่างที่นี้มีบัณฑิตนักราชอยู่เยอะโดยเฉพาะอาจจอนุญาตท่านเป็นนักราชนะ ทำไมพูดนักปราชศเพราะท่านทําอะไรไม่ก้ยพลาดอ่ะท่านไม่ก้ยพลาดในชีวิตนตั้งแต่อยู่ทางทางเหนือเนี่ยทำดีมาเรื่อยแล้วก็ดีมานานแล้วไม่จะเพิ่งดีเดี๋ยวนี้ท่านจึงไม่พลาดท่านไม่เคยพูดพลาดไม่ทําเคยผิดพลาดไม่เคยคิดอะไรพลาดคนไม่พลาดก็เรียกนักปราศก่อนที่พลาดพลั้งเป็นมนตินก็เรียกไม่ใช่ปราศมันเป็นจะเป็นปราศจอมปลอมถ้าปราศตัวแท้จริงพูดไม่ผิดทําไม่ผิด คิดไม่ผิดเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นมรกราตร์ตัวจริงไม่ใช่นักจักจอมปลอมนักปราดตัวจริงต้องเป็นคนเสียสละต้องเป็นคนเป็นผู้ให้ให้ความเมตตาให้ความเป็นกันเองกับคนที่ไปมาหาจูนี่เรามาหาท่านเราก็ชื่นใจว่าเราพบคนดีกแล้ววันนี้แต่ไม่ได้พบคนทุกวันนะบางทีนานตะีรีปตะครั้งก็เราได้พบคนดีแล้วก็จะมาใจไปนาน สมมติว่าเราพบพระพุทธเจ้าครั้งเดียกกินได้ตลอดชีวิตเราพบคนดีสักครั้งนี่ไม่ได้พบบ่อยครั้งเดียวก็สบายใจพอสบายใจทําอะไรมันก็เพลิน ด, ดีมันไม่ทุกข์แล้วก็บอกว่าทุกนี้มันเล็กน้อยเราพบคนดีแล้วนี่เราทําตามคนดีระบายใจชีวิตเรามันรุ่งเรืองแล้วแค่นี้เองท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายมาสแสดงสักกะระมูติจาจิตขอให้ท่านทั้งหลาย ทงกิตทรงใจเป็นแนเดียวกันว่าขออำนวยอวยพรให้บุคคลผู้นี้ท่านนี้จงอยู่ยั่งยืนนานให้ไปถึงกว่าร้อยปีความปรารถนาดนีก็ให้กันอย่างนิจจตังวัสังะตังแปลว่าร้อยวัดสังแปล ว, ว, ว่าปีก็ให้พรว่าท่านจงอยู่ปราศ จ, จากโรคภไข้เจ็บให้เกินร้อยปีให้ได้สร้างความดีหลักฐานไว้ในประจากรณา ชีวิดเราเกิดมาได้ทำความดีในศาสนานีหายากเราเดินทางถูกแล้วอย่าพลาดไปทางอื่นอย่าลงข้างซ้ายไปทางขวากันเถิดเรามาพบคนดีก็เจ็บสัมปัตต์กับคนดีไว้ไปมาหาสูท่านแนะนำท่านจังสอนท่ า, านแจกระให้เชื่อเถิดไม่เสียหายแ น, น่นอนมีแต่ ด, ดีไปข้างหน้าเพราะอะไรนะครอบกับกัลยาณนะมิตรคนดีนี่มีแต่พลันดีเด่นขึ้นครอบกับคนชั่วพลันตกต่ำลงไป คบกับพระดีๆนับถือพระ ด, ดีีไปมาหาสู่ท่านผู้ไรก็จดจดจำจำไว้บ้างท่านสอนท่านแนะนำนี่มาจากว่วงหัวใจจะมีเมตตาอนุเคราะห์ใจอันงามกับญาติโยมญาติโยมทั้งหลายรู้สึกเป็นบุญเป็นกุณจึงมาถวายจักระโมทิจในวันเกิดเรียกว่าอายุวัฒนะมงคลชีวิตขอให้ท่านจำเรินด้วยสุขภาพปานให จำเริญด้วยจดพิจารณ์ชัยให้มีอายุวันน้าทุกข์ไปละเราก็ให้พรท่านได้ในหลวงสูงใหญ่เรายังให้พรในหลวงแต่ถวายพระพรเนี่ยทีนี้อาจารย์ของเราเราต้องให้พรท่านแล้วก็พรหลายพรหลายปากหลายคํากันนี่จะสมวาจาที่พูดวาจาที่พูดกับใครด้วยความวังดีนี่ต่ออายุได้ทีหนึ่งเพราะวาจาให้พรนี่เป็นวาจาต่ออายุ ถ้าว่าจะสาบแช่งแช่งชักหักกระดูกนี่มันตัดหัวใจเราใจเราไม่สบายเพราะไม่สบายอายุจะสัน้นถ้าเราให้พรเขาเขาสบายกายสบายใจนี่แล้วกรรมตกอยู่ที่ใครลยโยมตกอยู่ที่โยมเองถ้านันได้ถ้วนนงจริงแต่ได้ตามเต็มเต็มร้อยในเดียได้ที่คนหวังดีนี่เพราะทำดีได้ดีใช่ไหมทำชั่วได้ชั่วเราทำดีกว่านื่อเราก็ได้ดี เราทำชั่วคนอื่นคนอื่นพอจะชั่วไม่ชั่วเราแหละชั่วเพราะฉะนั้นดีชั่วอยู่กับตัวที่ทำแต่มีคนดีรองรับความดีของเราได้ท่านเป็นทักษิเนยบุคคลบุคคลที่ควรทำบุญควรกราบควรไหว้ควรนำมาถึงจักการะบางอย่างที่ท่านพอจะรับได้อย่างนี้เรียกว่าทำบุญในบุญญเกตในเนื้อนาที่ดีท่านเป็นเนื้อนาดียอม มีมเมล็ดพืชเกคือตถาปีชังมีตถาดีก็หวานพืชลงไปในบุคคลผู้นี้เราหวานพืชในพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเราจึงได้กลับเป็นคนดีเรานับถือพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดีเราต่ณฑ์ดีเต็มที่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ดีอย่างท่านอุทลงว่าแต่ดีได้ที่โยมเองเช่นคนไหนกราบอาจารย์อาจารย์รับรู้แต่อาจารย์ไม่ได้ดีเพราะเขากราบเราคนที่กราบตัางหากเราเป็นคนดี ถ้ายอมอยากดีมีความสุขกราบเถิดไหว้เถิดจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความเจริญเป็นบุญยกริยาวัตถุที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นคนนอบน้อมก้มกราบปรานเป็นบุญกริยาวัตถุก็กก เ, กรเรียกว่าอาปาเยจนะใหม่บุญสําเร็จด้วยการกราบการไหว้ไหว้ลงไปทีหนึ่ง คุกเข่าหรือก็หมหัวไปทีได้บุญทีหนึ่งแต่บุญไม่ใช่ตัววัตถุเป็นนามธรรมาให้กำหัวใจตัวเองเนี่ยว่าเขานี่ถูกหรื อ, อทุกข์อ่ะทุกข์เลยมันทุกข์กายถ้าไม่ทุกข์ไปพุท้ิย่าไม่ตัดวายเนี่ยว่า้เธอกราบเธอแล้วก็ยิ่งว่ายเข้าวัดปฏิบัตดดิดีๆจะยิ่งได้บุญแรงขึ้นสร้านสาวุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เป็นมงคลหมาเร่อกันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ยังมีสุขภาพบนามไม่ดี พวกเรามีความวังดีมาทําบุญวันเกิดทําบุญวันเกิดทําอะไรรมันรักษาดีให้ดีขึ้นมากว้างเทศกวา้างธรรมมาทําจิตทําใจนี่เรียกว่าบุญสูงส่งก็คือการปฏิบัติธรรมเป็นพรใจในศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังคําที่ว่าเราใครนับถือเรายังไม่ดีเท่ากับปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมคือทําความดีใส่ตัวเองนี่เท่ากับ ปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่าใครรักเรานับถือเราคนนั้นจงปฏิบัติบูชาให้มากขึ้นอย่าหลงโลกอย่าติดอยู่กับโลกมากไปเพราะโลกไม่ใช่มิตรไมตรีใครเป็นเจ้าโลกมานเป็นเจ้าโลกแต่เจ้าโลกในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าโลกในในโลกทุกโลกทั่วจั ก, กรวาลท่านก็อสอนแนะนำไม่นคนประพฤติปฏิบัติดี แล้วอาจารย์วิชัยท่านก็สอนแนวเดียวกันไม่แวกแนวไม่เหมือนกับที่อื่นก็สอนในธรรมมาปฏิบัติทั้งนั้นแหละญาติโยมก็ได้ดีประดีกันหลายผู้หลายคนตั้งแต่ท้างวัดนี้ขึ้นมานี่ก่อนนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราเราก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านมีสุขภาพบนาลไวดีอย่าได้เจ็บ่ายได้ป่วยไอ้สิ่งไรเป็นทุกข์เป็นรอน้อนอย่างไกลเหมือนควากระบิน อะไรเป็นความดีก็าอายุไร้คิดติดตัวเราคืออายุวันนะลุขาพละมีลาบยศจะนันเถิดและความถุกทุกีิภาราธิการรับประทานวิจจจนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการศนี้